ใครง่ายจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตนเองหนึ่งผู้รู้แจ้งพระนิพพานหนึ่งผู้หมดการเวียนไหวาตายเกิดหนึ่งผู้หมดโอกาสที่จะทำดีหรือชั่วหนึ่งผู้หมดกิเลสที่ทำให้หวังหนึ่งห้าประเภทนี้แลเรียกว่ายอดคน พุทธวัจนวันพระวันธรรมสวนะถือว่าเป็นวันฟังธรรมจะเรียกว่าเป็นวันพิเศษก็ได้สำหรับท่านผู้ฟังเราลองมา ทำชีวิตของเราให้ตรงกับวันพิเศษวันนี้ซึ่งเป็นวันพระโดยการตั้งใจฟังธรรมเพื่อเกิดบุญเกิกุศลในจิตใจของเราการฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะธรรมะสวรรค์ไม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมเราก็มาทําบุญร่วมกันมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติเมื่อที่อาจจะ ตรงกับใจของเราก็ได้คําถามแบบนี้ได้ยินบ่อยๆมักจะมีคําถามว่าการที่เราต้องไปปลีกตัวไปไปฏิบัติในที่ต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราไหมหรือว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องปลีกตัวไปแบบนั้นสมัยนี้นี่เขามีการจัดคอร์สการอบรมการเจริญสติตามวัด ตามสถานที่ต่างๆที่เขาจัดให้สมวันบ้างห้าวันบ้างเจวันบ้างบางทีเป็นเดือนเขามีการจัดฝึกอบรมกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับเราไหมเราจะเป็นต้องไปหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นคำถามก็ไม่มีสูตรสำเร็จจะไปหรือจะอยู่เนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จก็ขอตอบแบบกลางๆแบบพูดให้แง่คิด แล้วก็ท่านผู้ฟังก็ลองวินิจฉัยดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่อันที่จริงแล้วเนี่ยการปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมยังสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็อาศัยสถานที่อาศัยอาหารอาศัยกัลยาณมิตรเช่นครูบาอาจารย์เนี่ยเทศสอนทำมาให้กับเรา หรืออาศัยธรรมะรูปแบบในการปฏิบัติธรรมอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแวดล้อมในการเจริญสติที่เราจำเป็นก็คือต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการเปลีกตัวไปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆปลีกตัวไปแบบนี้ไม่เหมือนสิ่งแล้ที่อยู่ที่บ้านบางทีเราอาจจะไปฝึกสติให้ต่อเนื่อง ในที่ต่างๆโดยใส่รูปแบบของการเจริญสติก็เพื่ออะไรเพื่อการต่อเนื่องให้มีสตินานๆแต่คำว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าสตินี้จะไม่หายขาดไปเลยนะสติจะมีขึ้นตลอดเวลา น, นั่นเป็นไปไม่ได้เพราะสตินี้ก็ไม่เที่ยงการเกิดดับก็เหมือนกันหรือสตินี้ก็บังคับบัญชาไม่ได้ เราจะสั่งให้เกิดมากๆก็ไม่ได้ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยของเขาเนื่องจากสตินี้ไม่เที่ยงแล้วก็ประคับบัญชาไม่ได้ถึงตัวเราต้องต้องฝึกบ่อ ย, อยๆเท่านั้นเองคือมันหลุดหายไปเราก็พยายามที่จะมีสติให้มันเกิดขึ้นต่อๆเนื่องๆกันอย่างนี้ละไม้มันขาดหายไปนานให้เกิดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเผลอก็ใหมีสติรู้เนี่ยเกิดบ่อยๆอย่างนี้ละ่ะ โอกาสสติที่จะต่อเนื่องก็มีได้มากไปฝึกเพื่อเกิดความจำนานที่จะมีสติแล้วก็ให้รู้จิตที่ละเอียดรู้อารมณ์ที่ละเอียดการปลีกตัวไปปฏิบัติเนี่ยมักจะเห็นจิตใจที่ละเอียดเห็นอารมณ์ที่มาปรุงแต่งที่ละเอียดชัดเจนก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะนำมาฝึกฝนต่อในชีวิตประจำวัน ซึ่งพระลูสะองค์ท่านก็เน้นมากเวลาท่านสอนธรรมะแล้วท่านก็จะชี้บอกว่านุ่นโคนไม้นุ่นเรือล้างว่างเปล่านุ่นปลานุ่นเขาเนี่ยท่านก็ชี้ให้ไปปฏิบัติอนอันนี้เป็นคำสอนของท่านว่าการปลีกเนี่ยมีประโยชน์ตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรว่าชีวิตของคนเราเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยได้ปลีกวิเวกแบบนั้นมันกจะอยู่ที่บ้าน แล้วก็ชีวิตของคารวาสญาติโยมเนี่ยไม่เหมือนนักบวชเพราะว่าต้องมีหน้าที่การงานมากมายต้องรับผิดชอบมากมายชีวิตจึงสับสนวุ่นวายต้องเร่งรีบแข่งขันกับเวลาเนี่ยมันยากที่จะให้สตินี่มันเกิดต่อเนื่องได้ง่ายๆมักจะหลงลืมสติมากสติไม่ค่อยเกิดแม้แต่จะทําในรูปแบบก็ไม่ค่อยมี มีแต่การเผลดสติที่เป็นส่วนมาก น, นี่ชีวิตของคารวาานอกจากสติจะไม่เกิดต่อเนื่องแล้วก็ยังทำให้กิเลสนี้เกิดต่อเนื่องอ ก, ก็ต่างกันนะสติเกิดต่อเนื่องนี่จะทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าว่ากิเลสเกิดต่อเนื่องนี่มันจะพาไปสู่ความทุกข์นะเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดสติบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยมีหรอก กเพราะว่หน้าที่การงานรัดตัวแบบนี้คารวะจึงหลงบ่อยๆเพล๋อบ่อยๆเพลอไปกับความคิดที่เป็นส่วนมากหลงไปกับความคิดเป็นชีวิตที่เพลิดเพลินเพลินไปกับความสุขความพอใจหรือบางทีก็เพลินไปกับความทุกข์ความไม่พอใจความไม่พอใจนี่ก็เพลินได้เหมือนกันนะเราไม่ใช่จะเพลินแตพื่อความสุขความทุกข์ก็ทําให้เพลินได้เหมือนกันเราเห็นว่าเรา เพลนโกรธข้ามวันข้ามคืนเรื่องรล่าที่ผ่านไปนานแล้วยังเก็บเอามาโกรธต่อเนี่ยเอามาหงุดอิดเอามาเป็นทุกข์ท่าน้านจิตท่าน้านใจเนี่ยนี่ถือว่าเรายัางเพลินอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นฆราวาสเนี่ยมักจะเพลินยากใช้เกิดสติบ่อยๆถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนไว้เสมอๆแต่อย่างไรก็ตามเดีย๋ยวว่าแต่ชีวิตที่เป็นฆราวาสญาติโยมเลย ี่ต้องอาศัยการปลีกตัวไปปฏิบัติแม้แต่พระกุณเจ้าซึ่งท่านบวชอยู่ที่วัดืางทีท่านก็ต้องอาศัยการเปลีกไปจากวัดไปอยู่ในที่อื่นเพื่อจะไปปฏิบัติอันนี้ก็มีอยู่เห็นบ่อยๆเราจะเห็นว่าในพรรษาเนี่ยจะมีพระกุณเจ้าอยู่หลายรูปแต่พอออกพรรษาแล้วเนี่ยบางทีรายยุไม่กี่รูปเพราะท่านไปเปลี่วิเวกท่านเคยใ ห, หผลว่า อยู่ที่วัดทา่านก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยเพรพาะอะไรเพราะว่าการงานรัดตัวต้องมีกิจนิมนต์ต้องสั่งสอนธรรมะจะต้องทำงานต้องก่อสร้างต้องรับแขกโอกาสเป็นส่วนตัวก็จะไม่ค่อยมีอันนี้เป็นชีวิตแบบพระนะก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสออกพรรษาแล้วท่านก็จะปลี่วิเวกเพื่อจะไปปฏิบัติอันนี้ก็มีอยู่มากมายบางท่านเคยพูดว่า เราเปลี่ตัวไปปฏิบัติในที่ต่างๆสติมันเกิดดีมันทำได้ต่อเนื่องแต่พอกลับมาอยู่บ้านนี่หลงลืมสติได้ง่ายๆผละสติบ่อยๆสติไม่ค่อยเกิดอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือเวลาไปปฏิบัติในที่เขาจัดสรรให้ปฏิบัติเนี่ยบางทีมันเครียดในการปฏิบัติในรูปแบบไม่ก็อิสระไม่เหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเป็นอิสระมาก ปฏิบัติได้ดีเจริญสติได้ดีนี่อีกประเภทหนึง่งเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่สําเร็จรูปเนี่ไม่มีนะยังไม่เจอขึ้นอยู่กับจริตของคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนอยากจะรู้ว่าการปลีกไปปฏิบัติหรือการอยู่ที่บ้านอะไรดีกว่ากันเนี่จะให้ดีแล้วก็ต้องลองไปพิสูจน์ดูไปไปฏิบัติสักเจดวันที่ไม่ใช่ที่บ้าน แล้วลองดูีิว่าการจิตสติแบบไหนเนี่ยมันสะดวกกว่ากันอันไหนมันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติกว่ากันระหว่างอยู่ที่บ้านกับการไปปฏิบัติเราจะได้คำตอบนะไม่ต้องไปถามคนโน้คนคนนี้เราพิสูจน์ในตัวเราเองเลยใช่แต่อย่างไรก็ตามถาาว่าเราปลีกตัวไปปฏิบัติถ้าไปด้วยตัณหาไปด้วยความอยากอยากให้ได้ผลจากการปฏิบัติมากๆ อันนี้ก็ผิดแล้วใจเราจะผิดหวังละหรือไปเพราะว่าติดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คนนี้พูดเพราะให้กำลังใจดีสอนดีเนี่ยไปติดครูบาอาจารย์อันนี้ก็ไม่ถูกต้องหรือว่าเราไปติดสถานที่ที่นี่สบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเราไปปฏิบัติก็เพื่อไปปล่อยวางไม่ได้ไปยึดมั่นไม่ได้ไปยึดติดเนี่ยตั้งใจไว้ไม่ถูก หรืออีกอย่างหนึ่งอันนี้สำคัญมากการที่เราปลีกตัวไปไปฏิบัติไปเพื่อจะหนีงานหนีบ้านหนีความวุ่นวายที่บ้านหนีความวุ่นวายจากหน้าที่การงานอันนี้ยิ่งผิดใหญ่เลยไปยเพราะหนีไปเพราะต้องการเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าจะไปก็ต้องไปได้วยวางจิตวางใจให้ถูกต้องไปเพื่อการฝึกฝน จ, จิตใจปล่อยไปวางเนี่อย่าไปยึดติดอันนี้พูดถึงคนที่ไปนะแต่คนที่ไม่ไป ไม่ไปเพราะอะไรเพราะว่าติดบ้านติดความสุขสบายไปไปฏิบัติต้องตื่นทัเช้าตีสามตีสี่แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยตื่นเวลาไหนก็ได้ติดความสุขสบายติดการนอนติดทีวีติดข่าวติดครอบครัวอันนี้ไม่ไปเพราะติดคือติดกิเลสอันนี้ยิ่งไม่ถูกต้องใหญ่เลยใครจะรู้ได้เราต่างหากเป็นผู้ที่รู้ได้ว่าเราอยู่หรือเราไปอันไหนดีประกัน เราต้องพิสูจน์สำหรับผมนี่แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหนก็เริ่มต้นทําอยู่ที่บ้านอยู่ด้วยกันสามคนมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็ผมเช้าขึ้นนี่คุณพ่อคุณแม่ทั้งก็ไปทํางานไอีกตัวไปทํางานก็เลยอยู่ผมคนเดียวนอนอยู่บนบ้านไปไหนไม่ได้ก็ได้อาศัยช่วงนี้แหล ะ, จะเจริญสติ รู้กายรู้จิตอยู่กับปัจจุบันทั้งวันอันนี้ดูแล้วก็เหมือนการปลีกเหมือนกันจะว่าปลีกก็ได้จะว่าไม่ปลีกก็ได้เพราะตัวอยู่ที่บ้านแต่ใจไปอยู่กับสติก็ยังปฏิบัติได้อย่างไรก็ตามการปลีกนี่มีสองอย่างปลีกภายนอกกับปลีกภายในมันต้งปลีกตัวนะปลีกภายนอกหมายถึงเอากายไป ไปไปฏิบัติในสิ่งต่างนี่ปลีกภายนอกแต่ปลีกภายในนั้นคือกายไม่ต้องไปเอาจิตใจไปให้กิเลสมันปลีกออกไปจากใจสบักเราจะไม่ต้องปลีกตัวไปไหนแต่ว่าการปลีกภายนอกนั้นยังสู้การปลีกตัวภายในไม่ได้คือปลีกจิตใจออกจากความทุกข์ออกจากบ้านออกไปอยู่กับสติถ้าเราปลีกภายนอกคือตัวไปแต่ใจยังคลุ่น มิต ก, กังวลถึงเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานอันนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแต่ถ้าตัวไม่ไปใจเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องครอบครัวอยู่กับสติอยู่การปฏิบัติอันนี้จะประเสริฐกว่าคือปล่อยให้กิเลสมันปลีกไปซะบ้างแต่ใจเราก็ยังอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นการจะปลีกตัวก็ดีหรือไม่ปลีกตัวก็ดีสําคัญอยู่ที่ใจเรา ถ้าเราจะติดตัวไปปฏิบัติในที่ใดก็ตามก็ไปแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้ไปเพื่อเกิดประโยชน์ไปปฏิบัติธรรมไปฝึกเจริญสติไปอาศัยสถานที่สิ่งแวดล้อมครูบาอาจารย์เพื่อเป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาพัฒนาจิตใจของเราให้ก้าวหน้าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ไปปล่อยไปวางนี่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้ไปอันนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้เราอยู่แบบมีสติเป็นหลักของใจจึงเป็นการปลีกแต่ไม่ต้องไป